มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญหาสัตตมวคนิพพานสสะอัตถิภาวนาปัญหาที่เกถามว่าสิ่งไรในโลกนี้ที่ไม่เกิดแต่กรรมแต่ฤดูนั้นคืออะไรบ้างราชา สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามอัธปัญหาปริศนาอื่นสืบไปว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้กรรมนิพพัตตาเกิดด้วยกุศลากุศลกรรมตกแต่งได้แก่สัตว์โลกทั้งปวงนี้ย่อมมีปรากฏอยู่เหตุนิพพัตตาที่เกิดแต่เหตุที่ปรากฏอยู่ อุตุนิพัตาที่เกิดตามฤดูที่ปรากฏอยู่แล้วก็สิ่งไรที่ว่าเป็นอกกรรมมัชชะมิได้เกิดแต่กรรมคือบุญบาปและเป็นอเหตุตุชะมิได้เกิดแต่เหตุนั้นและเป็นอนุตุชะมิได้เกิดแต่ฤดูนั้นนิมนต์ผู้เป็นเจ้าวิสัชนาให้แจ้งก่อนพระนาคเษนถวายพระพรว่ามหาราชะ ดูราณะบพิษพระราชาสมภารผู้ประเสริฐสิ่งที่มิได้บังเกิดด้วยกรรมและเหตุและฤดูนั้นมีอยู่สองประการคืออากาศและพระนิพพานเท่านี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าวิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา พระผู้เป็นเจ้าอย่าดูถูกลบหลู่ตูพระพุทธดีกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้แล้วอย่าเพื่ววิสัชนาปัญหาพระนาคเกษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐอัตมาวิสัชนาอย่างไรมหาบาพิษจึงตรัสอย่างนี้ฝ่ายสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราช อ, องค์การตรัสว่า พันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาที่ตรัสพระสัท ธ, ธรรมเทศนาไว้รู้ก็ว่ารู้ที่ไม่รู้ก็จงบอกว่าไม่รู้ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าว่าอากาศกับนิพานนี้มิได้เกิดแต่กรรมแต่เหตุแต่ฤดูนั้นก็ทำไมเล่าสมเด็จพระสัพพัญญูเจ้าจึงตรัสพระสัทธรรมเทศนาว่าอายังมารโค อนว่ามักขานี้พระตาาคตกล่าวว่าเป็นเหตุจะกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานพระผู้เป็นเจ้าว่าพระนิพพานเป็นอเหตุตุชะไม่ได้เกิดแต่เหตุนั้นพระผู้เป็นเจ้าว่านี้มั่นคงแล้วหรือประการใดพระนาคเกษนมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระนิพพานนี้ มิได้เกิดแต่เหตุซึ่งพระพุทธดีกาตรัสว่ามักเป็นเหตุกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนี้พระองค์ตรัสด้วยเหตุมากกว่าร้อยแต่เหตุที่อาศัยพระนิพพานนั้นหาได้มีพระพุทธดีกาตรัสไว้ไม่สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการเปรียบว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาเหมือนหนึ่งว่า เราท่านทั้งหลายออกจากที่มืดแล้วจะกลับเข้าสู่ที่มืดเล่าเราท่านทั้งหลายพ้นจากป่าแล้วจะกลับเข้าป่าใหม่เล่าถ้ามิฉะนั้นเหมือนหนึ่งว่าเราทั้งหลายพ้นราวป่าเป็นสมถุมแล้วและจะกลับเข้าสู่สมถุมราวป่าเล่าความข้อนี้ฉันใดพระผู้เป็นเจ้าว่าเหตุที่จะกระทำให้บังเกิดพระนิพพานไม่มี แต่เหตุที่จะกระทาให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้นมีความก็เหมือนกันกันกบคำว่าเราพ้นที่มืดไม่มีที่มืดแล้วแต่จะไปสู่ที่มืดใหม่เล่าเหมือนคำว่าเราพ้นป่าแล้วไม่มีป่าแต่ว่าเราจะเข้าป่าอีกเล่าถ้าพระผู้เป็นเจ้าว่าเหตุจะกระทําให้แจ้งพระนิพพานนั้นมีควรจะว่า เหตุอาศัยให้เกิดพระนิพพานมีอยู่ควรจะว่าพระนิพพานบังเกิดแต่เหตุเปรียบเหมือนบิดาของบุตรมีบิดาของบิดาก็ต้องมีแม่อาจารย์ของอาจารย์ก็ต้องมีพืชพันธุ์ที่จะให้เกิดต้นต่อไปมีก็จําต้องค้นหาพืชเดิมอันให้เกิดพืชนั้นอีกยะถามีอุ ป, ปมาฉันใดเมื่อเหตุจะกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้นมีแล้ว ก็ควรจะว่าเหตุอาศัยจะให้เกิดพระนิพพานมีควรจะว่าพระนิพพานมีเหตุเกิดแต่เหตุประการหนึ่งถ้ามิฉนั้นเปรียบดุดต้นไม้และเครือเขาเถาลดาวันเมื่อยอดไม้และเครือขาเถาวันนั้นมีแล้วก็ควรจะว่าถํากลางต้นและรากแห่งเครือเขาเถาวันนั้นมียะถามีอุปมาฉันใด อันว่าเหตุที่จะกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้นมีอยู่แล้วก็ควรจะว่าเหตุอาศัยที่จะให้เกิดซึ่งพระนิพพานมีเอวะเมวะมะตะถามีอุปมายฉนั้นพระนาเคเสษนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารพระนิพพานนี้หาเชื้อตัณหาไม่ได้ จะเข้าพระไถว์ว่าพระนิพพานนั้นเกิดแต่เหตุดุดอุปมาณนี้ไม่ควรด้วยพระนิพพานนี้หาอุปาทานเชื้อสายไม่ได้เหตุฉนี้จึงว่าพระนิพพานนี้มิได้เกิดแต่เหตุขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา อิงคะดังข้าพเจ้าตักเตือนอรัถนาพระผู้เป็นเจ้าชักเอาเหตุมาอุปมาให้โยมเข้าใจพระนาคเกด็จถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐโอทหิโสตังบอพิษเจ้าจงตั้งพระโสดศสดับสักกัจจังโดยสัตย์เคารพในคำที่อัตมาวิสัชนาวักขามิตังการนัง อาตมาจะสำแดงให้แจ้งเหตุในลักษณะแห่งพระนิพพานมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารดังรูปจะถามบาพิษบ้างธรรมดาว่าบุรุษมีกำลังเป็นปกติบุรุษผู้นั้นจะไปให้ถึงภูเขาหิมพผานจะไปได้หรือว่าไม่ได้นะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินมีพระราชองค์การตรัสว่า อามะพันเตพระเจ้าข้าบุรุษนั้นไปถึงสิพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสดณจถวายพระพรถามเล่าว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเมื่อบุรุษผู้นั้นขมานาการไปถึงภูเขาหิมะผานแล้วจะยกเอาภูเขาหิมะผานั้นมาด้วยแรงตนให้คนทั้งหลายชมเล่นให้เห็นด้วยกันสิ้น จะได้หรือไม่ได้นะบอพิษพระราชาสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอคงการตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าบุรุษผู้นั้นจะอาจยกเอาภูเขาหิมะพานมาหาไม่ได้พระนาคเษนถวายพระพรว่าบุรุษมีกำลังยกภูเขาหิมะพานมามิได้ฉันใดก็ดี อาตมาก็อาจกล่าวแต่มักที่กระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานแต่ทว่าไม่อาจยกเอาเหตุอาศัยให้เกิดพระนิพพานมาสำแดงให้เห็นแจ้งได้ฉะนั้นมหาราชขอถวายพระพรประการหนึ่งบุรุษผู้มีกำลังเป็นปกติอาจลงเรือข้ามมหาสมุทตไปฝั่งฟากโน้นได้หรือไม่ได้นะมหาบพิษพระราชสมภาร สมเด็จพระเจ้ามิลินปินภูมิบาลจึงมีพระราชโอคงการตรัสว่าพันเตพระเจ้าข้าบุรุษนั้นไปถึงได้สิพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษศ จ, จริงถวายพระพรถามว่ามหาราชดุราณะบดพิษผู้ประเสริฐบุรุษนั้นจะพึงนำเอาฝั่งมาหาสมุทรข้างโน้นมายังฝั่งข้างนี้ให้คนทั้งหลายเห็นได้รหรือ สมเด็จพระเจ้าวิลินปินธรณีจึงตรัสว่านหิพันเตข้าแต่พระนาคเสนพูดจำเริญบุรุษนั้นจะอาจนำมาหาไม่ได้พระนาคเสนรจรึงถวายพระพรว่ามหาราชาดูรานะบพิษผู้ประเสริฐบุรุษนั้นไม่อาจนำมาหาสมุรฝั่งโน้นมาให้คนเห็นได้ชั้นใดอัตมาก็อาจกล่าวแต่มักที่ทำพระนิพพานให้แจ้ง ไม่อาจแสดงเหตุที่อาศัยให้เกิดพระนิพพานได้ฉะนั้นเพราะพระนิพพานเป็นอาสังคตธรรมจะมีเหตุมีปัจจัยอะไรปรุงแต่งขึ้นหาไม่ได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าเมลินภูมินทราธิปดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตค่าแต่พระผู้เป็นเจ้านิพพานังอันว่าพระนิพพานนี้ ไม่มีผู้ใดาอาจที่จะเปรียบเทียบว่ากล่าวให้เห็นแจ้งได้แล้วหรือพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนถวายพระพรว่าอามะมหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภาจรจิงอย่างนั้นเพราะพระนิพพานเป็นอสังขตธรรมไม่มีเหตุไม่มีใครกระทาประการหนึ่งมหาราชะขอถวายพระพรพระนิพพานนี้ ไม่พึงจะกล่าวได้ว่าอุปนังบังเกิดเองอนุปนังไม่เกิดเองอุปาทนียังอาศัยรมแล้วบังเกิดหรือจะเป็นอดีตเป็นอนาคตปัจจุบันก็มิได้ณนะจักขวิญเยยยังมิควรจะรู้ด้วยักศุได้ณนะโสตะวิญเยยยังและมิควรจะรู้ด้วยโสดได้ณนะคานะวิญเยยยัง และมิควรจะรู้ด้วยจมูกได้ณชิวหาวินเยยยังและมิควรรู้ด้วยลิ้นได้ณกายะวินเยยยังและมิอาจรู้ด้วยกายได้มิอาจว่าพระนิพพานเกิดแต่สิ่งใดได้เลยขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิปดีมีพระราชโองการตรัสว่าถ้าว่าพระนิพพานบุคคลมิอาจว่าเกิดเองไม่เกิดเอง อาศัยทำรรแล้วเกิดบุคคลไม่พึงรู้ได้ด้วยจกักษุโสตะคานะชิวหากายะดังนี้แล้วพระผู้เป็นเจ้าก็กล่าวอ้างว่าพระนิพพานไม่มีน่ะสิใช่ไหมเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระน่าเกษรจิงถวายพระพรว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันพระนิพพานนี้มีแท้มโนวินเยยยัง เป็นของพึงรู้แจ้งได้ด้วยใจและบุคคลอันเป็นปุทุชนก็ไม่อาจรู้ได้สำมาปฏิปันโนขีนาสโวรู้ได้แน่แต่พระขีนาศกซึ่งปฏิบัติชอบมีจิตบริสุทธิ์ปราศจากนิวรณและอามิตรเป็นจิตละเอียดประนีตเที่ยงตรงแน่แน่แล้วเท่านั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการถามว่า พันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสณผู้ปรีชาญานพระนิพพานนี้เป็นเช่นไรมีอยู่แล้วแต่จะแสดงให้เห็นโดยชักอุปมาก็ไม่ได้น่าสงสัยนักพระผู้เป็นเจ้าจงอ้างเหตุชี้แจงให้โยมเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอยู่หรือที่มีอยู่แล้วแต่จะแสดงให้เห็นโดยอุปมาก็ไม่ได้พระนาคเสณถวายพระพรว่ามหาราชา ดูราณะบอพิษพระราชสมภารว่าโตนามะชื่อว่าลมนั้นมีอยู่ในโลกหรือบอพิษสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอลงการตรัสว่าอามะพันเตพระเจ้าข่าลมมีอยู่ในโลกพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจิงถวายพระพรถามว่ามหาราชดูราณะบอพิษพระราชสมภาร บอกพิจงสมแดงให้เห็นโดยวันณะและสันธานว่าลมนั้นจะเล็กใหญ่ยาวละเอียดหรือยาวสั้นเป็นประการใดสมเด็จพระเจ้ามิลินจึงมีพระราชโอลงการตรัสว่าณนะสักกาพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยไม่อาจสมแดงให้เห็นโดยวันณะและสันธานได้อันลมนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะพึงหยิบขยำกอบโกยเอาได้ด้วยมือ แต่ว่าลมนั้นมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนมีเถระวาจาว่ามหาราชะดูรานาบพิทผู้ประเสริฐเบื้องว่าบพิทไม่อาจสําแดงให้เห็นได้แล้วจะว่าลมมีอยู่อย่างไรเล่าพระเจ้าวิลินมีพระราชโองการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาลมนั้นมีอยู่จะไม่มีนั้น หาไม่ได้โยมหายใจสูบเข้าไปในหฤทยัยรู้ได้โดยแท้แต่โยมไม่อาจแสดงให้พระผู้เป็นเจ้าเห็นเท่านั้นพระนาคเษน จ, จึงมีเทระวาจาวา่าเอวเมวโขมหาราชะดูกระโบพิทผู้ประเสริฐโบพิทไม่อาจสแสดงลมให้เห็นโดยวันณะแลสนฐานได้ชั้นใดก็ดีพระนิพพานมีอยู่ อาตมาก็ไม่อาจสำแดงให้เห็นโดยวันนะและสันฐานได้เหมือนดังนั้นพระเจ้ามิลินได้ทรงฟังก็โสมนัสตรัสว่าสาธุพันเตพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาดีแล้วโยมจะรับซึ่งคำของพระผู้เป็นเจ้าไว้ในการบัดนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ปัตชิมาชนตาสัต์นิพานสัอธิภาวนาปัญหาเป็นคารบก้าจบเพียงนี้